ต่อไปนี้เป็นเพลงที่เราตั้งใจตรีมมาเล่นให้ทุกคนฟังนะครับขอทบทวนความจำจาก1ิปีที่แล้วก่อนเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่สำคัญครับฉันก็คง ไม่มีอะไรที่ต้องสูอเสียไปมากกว่านี้แม่รู้ตัวว่ามันไม่ดีหากคราวนี้ฉันยอม จะไม่ยอมให้เธอจาฉันนีอ่อะรกักเธอไว้จะไม่ยอมสูญเสียเธอไปแม้ว่าเธอไม่ยอมรับ คิดว่ามันไม่ถือเรื่อนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าหากเธอคิดว่าต้องเข้าใจเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญถ้าหากเธอคิดว่าต้องรักกันไม่ต้องเอาใจใส่กับชีวิตที่มันเป็น เราชุกวันก็คงเป็นอย่างเดิมแต่เธอไม่รักฉันมาตั้งแต่ไหนฉันและเธอสักวันก็คงสมใจอดทนไว้จนฉันทำใจได้ เธอไม่ยอมให้เธอเจอเธอเนีนยวแรง Take I'm not c a n e Keep.